จากเล่มหนึ่งถึงเล่มสองโดยคุณอ้อยศูนย์ฟื้นฟูไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเขียนถึงเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้เป็นผู้รู้จริงๆในเรื่องนั้นและยิ่งยากกว่านั้นเมื่อเรื่องที่จะเขียนกล่าวอ้างถึงเป็นเรื่องของพระอระหรันต์ แม้จะเป็นเพียงการกล่าวถึงในแง่ของการรับรู้และความรู้สึกเมื่อได้อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมฉันจึงต้องระมัดระวังสํารวมกายและสํารวมใจเป็นอย่างยิ่งและฉันถือเสมอว่าพระอระหันต์เป็นเสมือนดวงแก้วแห่งพระรัตนตรัยที่ส่องสว่างให้แก่โลกควรแก่การเคารพ บ, บูชาเกินกว่าที่มนุษย์ห ย, ยาบๆบอย่างฉันจะเอ่ยอ้างถึงท่าน แม้สงสาวกทั่วไปของพระพุทธเจ้าที่เราพบเห็นกราบไหว้กันทั่วไปเราก็มิพึงละเม่ดจาบจ้วงจะเห็นได้จากในบทธรรมวัดเย็นมีบทขอขมาสงในช่วงท้ายของบทสรรเส ร, ริญพระสังฆ ค, คุณด้วยทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์ที่ไม่สำรวมอย่างเราเรามักจะฟุง้งส่งจิตออกนอกและคิดอะไรมากเกินกว่าที่เห็นเสมอจึงเป็นเหตุให้เราจาบจ้วงของสงกันได้ง่าย วิธีที่เราจะค่อยๆตระหนักรู้และสำรวมระวังก็คือการสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและตามด้วยการขอขมาพระรัตนตรัยอันจะทำให้เราตระหนักที่จะสำรวมระวังกายใจของเราในการต่อไปเมื <of> ่อได้อ่านหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นฉันมีความรู้สึก ยิ่งต้องระมัดระวังกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของตัวเองฉันยิ่งพบว่าตนเองเนี่ยหยาบยิ่งนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางมโนกรรมอันเป็นกรรมที่จะส่งเสริมกรรมในเรื่องอื่นๆและเป็นตัวตั้งต้นกรรมอื่นๆด้วยว่านิสัยเป็นคนใจร้อนคิดเร็วมโนกรรมจึงพาไปต่างๆนานา ส่วนกายกรรมและวจีกรรมยังถูกปิดกัน้นด้วยการฝึกฝนตนเองวันแล้ววันเล่าจะไม่ค่อยมีปรากฏออกมาในทางที่ไม่สมควรแต่กระนั้นเจ้าของใจอย่างฉันก็รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวภายในที่ในหลายๆเรื่องก็ไม่ได้นิ่งเหมือนอากาศกิริยาภายนอกและนี่คือการบ้านที่ยิ่งใหญ่ของฉันและฉันก็รับรู้เช่นกันว่า ความไม่ก้าวหน้าในการฝึกฝนภายในความละเอียดในการรับรู้ภายในของฉันถูกปิดกั้นด้วยความเกลียดคร้านขาดความเพียรเรื่องเล่าต่างๆในหนังสือเล่มหนึ่งบอกผ่านทางตัวอักษรให้ฉันชุ่มชื่นใจเหมือนได้ยืนอยู่บนแผ่นดินที่เขียวชอุ่มขณะอา่านฉันรู้สึกรับรู้ได้ถึงความสะอาดความว่างของจิต ไม่มีข้อความหรือบทความใดที่อ่านแล้วจิตกระเพื่อมหากคุณเป็นคนหนึ่งที่แสวงหาการฝึกฝนภายในและค่อยๆ อ, อ่านอย่างพิจารณาฉันเชื่อว่าคุณจะเข้าใจในทุกๆเรื่องราวไม่ใช่เรื่องของความเชื่อไม่ใช่เรื่องความคลั่งไคล้หยับหยาบแบบฝรัง่งและไม่ใช่เพียงเรื่องศรัทธาในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราแต่หากหมายถึงการฝึกฝนตนเองวันแล้ววันเล่า ให้รับรู้ชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงภายในกระทั่งจิตผู้นั้นละเอียดอ่อนพอที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวภายในชัดเจนกับความนิ่งหรือความกระเพื่อมและผ่องแพ้วจนเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับตนเองและกลายเป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านตัวหนังสือให้ได้รับรู้กันไม่ได้บอกให้เชื่อหรือไม่เชื่อ แต่เพียงบอกว่าให้ลองอ่านอย่างพิจารณาเราจะพบว่าประการแรกการกล่าวถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในความรู้สึกของผู้เล่าและผู้เล่าเองก็เล่าอย่างระมัดระวังไม่ให้ละเมิดหรือจาบจ้วงองค์ท่านประการต่อมาหากเราเป็นชาวพุทธโดยกำเนิดและไม่โกหกตัวเองจะพบว่า เราอาจเคยได้ยินประสบการณ์เหล่านี้บางเรื่องจากพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราและเรามักใช้คำว่าปาฏิหาริย์ประการสุดท้ายหากเราเป็นผู้ฝึกฝนจิตเราบอกตัวเองได้เลยว่าเรื่องที่บอกเล่านั้นมีทางเห็นและเป็นไปได้สำหรับจิตที่ฝึกดีแล้วและมีบารมีทางธรรมพอสมควรไม่ได้เกิดกับทุกคนนี่เป็นปัจจิตัง แต่เมื่อมีผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของฉันก็คือการพิจารณาฝึกฝนจิตของตนเองเพื่อยกระดับจิตให้ได้อย่างคนทั้งหลายในหนังสือไม่ได้เพียงเพื่อจะให้เกิดปรากฏการต่างๆที่เป็นปาฏิหาริย์ดังที่เกิดกับผู้อื่นแต่หวังให้ถึงขั้นวิมุตต์หลุดพ้น ในโลกนี้ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ายังมีมิติที่ซับซ้อนและมองไม่เห็นอยู่ด้วยเริ่มจากจิตนี่แหละเรื่องเล่าจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบที่ฝึกจิตดีแล้วตามระดับการฝึกฝนเพื่อบอกกล่าวแก่ผู้คนให้มีจิตน้อมนำและสำรวมกายสารวมใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องเล่าเร้ากุศลที่ทำให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงพลังการเคลื่อนไหวภายในของจิต ที่ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้วเรื่องราวเหล่านี้จึงมีหลังไหลามาไม่ขาดสายและปรากฏเป็นเรื่องเล่าเล่มต่อๆมาด้วยหวังว่าผู้คนจะได้มองเห็นอานิสงค์ของการฝึกฝนภายในเป็นเบื้องตน้นขอเชื่อชมและอนุโมทนาบุญกับผู้เล่าทุกท่านที่กล้าหารบอกเล่าเรื่องราวทาั้งๆที่บางเรื่อง ดูจะสุ่มเสี่ยงกับคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ไม่รู้ทุกเรื่องราวที่เล่าถือเป็นเรื่องเรากุศลที่จะช่วยให้ผู้คนอยากปฏิบัติธรรมฝึกฝนตนเองและท้ายที่สุดขออนุโมทนาบุญที่ยิ่งใหญ่กับคุณหลวงของพวกเราทุกคนสำหรับฉันแล้วคุณหลวงถือเป็นหนึ่งในเนื้ อ, น, อนาบุญที่ทําให้ฉันได้มีโอกาสวานพืชพันแห่งกุศลลงในเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ ต่อต่อไป